ทุกใจเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากประสบแต่ถ้าเราสังเกตนะความทุกข์ใจมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีเหตุมีปัจจัยได้แก่ความโกรธความเกลียดความไม่พอใจความค้อแค้นใจความผิดหวังความโศกความเศร้าความเครียดความวิตกกังวลอารมณ์เหล่านี้เนี่ย ถ้ามันไม่เกิดขึ้นนะเราก็ไม่ทุกใจไม่ใช่ว่าคนเราเนี่ยจู่ๆมันจะทุกใจขึ้นมาเองนะั้นไม่ได้ส่วนใหญ่ก็เพราะมีอารมณ์อย่างที่ว่าเกิดขึ้นและอารมณ์ที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นลอยๆนะมันก็มีเหตุปัจจัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ได้แก่ความคิดในบางเรื่องบางอย่างจู่ๆจะให้เราโกรธจะให้เรา โมโหหรือว่าเกิดความหนักอกหนักใจเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้นะอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าจะมาบอกให้พวกเราทุกคนเนี่ยโกรธขึ้นมาเนี่ยหรือว่ารู้สึกโศกเศร้าขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครทำได้นะจนกว่าจะคิดถึงเหตุการณ์บางเหตุการณ์ คิดถึงคนบางคนคิดถึงการ ก, การะทาหรือคำพูดของเขาเช่นจะโกรธจะรู้สึกโกรธก็ต่อเมื่อคิดถึงหรือนึกถึงใครบางคนที่กันแกล้งเราต่อว่าด่าทอเราทรยศหักหลังเราหรือจะโศกเศร้าได้ก็ต่เมื่อคิดถึงเหตุการณ์บางเหตุการณ์เช่นนึกถึงคนที่ เรารักซึ่งล้มหายตายจากไปนึกถึงเพื่อนสนิทที่จากไปคนรักที่จากไปถ้าไม่มีความคิดถึงเรื่องราวเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็ไม่มีอารมณ์โศกเศร้าโกรธแค้นหรือถ้าไม่คิดถึงงานการที่ค้างคาอยู่มันก็ไม่มีความรู้สึกหนักอกหนักใจหรือเครียด มันต้องคิดก่อนนะถึงจะเกิดอารมณ์ น, นี่ส่วนใหญ่และต่อเมื่อมีอารมณ์ที่ว่าเกิดขึ้นเนี่ยเราจึงจะรู้สึกทุกข์ใจความกลัวเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเรานึกถึงอะไรบางอย่างนึกถึงผีสางนึกถึงสัตว์ร้ายซึ่งมีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ นึกถึงคนที่มนะุ่งร้ายกับเราผู้ร้ายนะหรือว่าคนที่ไม่ประสงค์ดีกับเราพอนึกถึงคนหรือสิ่งเหล่านั้นแหละนะั้นมันจึงจะเกิดความกลัวขึ้นมาแต่ถ้าไม่ได้นึกนะมันก็ไม่กลัวนะไม่มีความกลัวเกิดขึ้น ในเวลาเรามีความกลัวเนี่ยนะลองสังเกตใจเราเนี่ยเป็นเพราะเรากาลังคิดหรือนึกอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วถ้าว่าเราอยาให้ความกลัวหมดหมดไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทําได้คือว่านึกถึงสิ่งอื่นแทนแทนทจะนึกถึงสิ่งที่มันน่ากลัวนึกถึงผีสางก็นึกถึงสิ่งที่มัน ทำให้เกิดความเพลิดเพลินยินดีนี่เป็นจะเรียกว่าเป็นวิธีง่ายๆนะที่แม้แต่เด็กก็ทำได้สมัยที่าอาจารย์พุทธานเนี่ยยังเป็นเด็กตัวเล็กๆเนี่ยแปดเก้าขวบเนี่ยตอนนั้นยังกลัวผีอยู่นะแต่ว่าทุกคืนเนี่ยหรือจะเรียกว่าชาทุกคืนเลย จะต้องเข้าห้องน้ำแล้วห้องน้ำก็อยู่ไกลจากตัวบ้านจากห้องนอนเวลาเดินไปห้องน้ำเนี่ยนะจะต้องผ่านทางเปลี่ยวและสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้านะมันมืดสนิทกลางทางนี่ก็มีต้นไทรใหญ่ซึ่งเด็กๆหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ลือกันนะว่ามันมีผีเด็กชายเงือมเนี่ยกลัวผีนะ แต่วิธีระงับความกลัวเนี่ยทำยังไงนเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยกแทนที่นึกถึงผีหรือนึกถึงต้นไทรที่ดูน่ากลัวก็นึกถึงปรากัดแทนตอนเด็ก้ชอบเล่นปรากัดมากนะเราก็เล่นจริงจังมากเล่นนี่ไม่ใช่ดูมันกัดกันนะแต่ว่าดูเอาความสวยงาม และประกฏที่เลี้ยงเนี่ยมันก็ติดตาติดใจนะเพราะนั้นเวลาที่เดินไปห้องน้ำและกลับมาเนี่ยเด็กใช้เงื่องก็รู้นะว่าทานึกถึงผีมาหลายมันจะกลัวหรือนึกถึงเสียงเล่าลือของคนแถวนั้นมันก็จะเกิดความสนกเด็กใช้เงื่อนก็ใช้วิธีนึกถึงประกฏนะนึกเป็นภาพเลย อันนี้เป็นภาพปากกาที่เป็นไงเกิดความพลิดเพลินเกิดความพอใจแล้ น, นึกถึงปากกาตลอดทางเลยจนกระทั่งนะกลับมาถึงห้องนอนนี่เป็นวิธีจัดการความกลัวของเด็กใช้เงื่อนซึ่งเราจจะเป็นวิธีการของเด็กๆ ก, ก็ได้แต่มันก็ใช้ได้กับผู้ใหญ่นะ เด็กใช้เงื่อนเนี่ยแกรู้นะว่าเนี่ยความกลัวมันเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ น, นึกถึงอะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวถ้าไม่นึกถึงสิ่งนั้นมันก็ไม่กลัวแด้จะนึกถึงอะไรนะก็นึกถึงสิ่งที่ทําให้เพลิดเพลินยินดีก็ปะกัดไงนะนึกเป็นภาพเลยนะแล้วก็สําหรับเด็กใช้เงื่อมเนี่ย ใจนี่มันก็เหมือนกับว่าสั่งได้นะในระดับหนึ่งนะเปลี่ยนสวิต์นปรับสับสวิต์นจากการนึกถึงผีก็มานึกถึงปากัดจริงๆใจมันสั่งไม่ได้นะแต่ถ้าหากว่าฝึกมันก็สามารถจะสลับภาพแต่คนจะด้วยไม่คดยไม่น้อยที่ทำไม่ได้นะก็ปล่อยความกลัวมันคลองใจ พรไม่ได้ตระหนักถึงความจริงว่าที่มันกลัวเพราะมันคิดและถ้าไม่คิดมันก็ไม่กลัวหรือว่าคิดเรื่องอื่นแทนที่มันเป็นบวกที่มันสวยงามเช่นดอกไม้หรือว่าสิงสารสัตว์ที่น่ารักเนี่ยมันก็หายกลัวแล้วมันไม่ใช่ว่าความกลัวอยู่ยนะความโศกความเศร้าความโกรธก็เหมือนกันนะความเครียดความวิตกกังวลเนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นมา ล, ายลอยรอยจะสั่งให้มันเกิดก็เกิดไม่ได้จนกว่าจะนึกถึงมันอันนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักนะไม่ตระหนักว่ามันทุกข์เพราะความคิดแล้วก็ไม่ตระหนักว่าหรือไม่มีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนการรับรู้ของใจ ใจคนเราเนี่ยมันรับรู้อะไรเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นนะเช่นไปรับรู้ถึงสิ่งที่น่ากลัวเช่นภาพอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดความกลัวถ้านึกถึงอาหารที่อร่อยมันก็เกิดความอยากนึกถึงคนที่เขาดินท้าว่าร้ายเราก็เกิดความโกรธ นึกถึงเงินที่หายไปก็เกิดความเศร้าเกิดความเสียดายนึกถึงคนรักที่จากไปก็เกิดความโศกความเศร้าฉั้นถ้าเราไม่อยากให้เกิดอารมณ์ที่นําความทุกข์ใจมาให้กับเราเนี่ยมันก็ต้องรู้จักนะรู้จักเอาความคิดอื่นมาแทนที่หรือว่าเป็นนึกสิ่งอื่นที่มันเป็นบวกมากกว่า แล้วสิ่งนี้มันก็ไม่เกินวิสัยของคนเราที่เราจะน้อมใจไปคิดถึงสิ่งอื่นแทนอย่างเช่นเวลาโกรธเนี่ยนะเวลาโกรธเนี่ยถ้าเรามัวแต่คิดถึงเรื่องที่เราโกรธหรือนึกเห็นหน้าคนที่เราโกรธเนี่ยมันก็ยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่แต่พอเรา เปลี่ยนการรับรู้ของใจจากการไปจมอยู่กับเรื่องที่ชวนให้โกรธก็มารับรู้สิ่งอื่นแทนที่มันเป็นกลางๆ ก, ก็ได้เช่นลมหายใจใครูบาจรยหนึ่งสอนไงว่าเนี่ยเวลาโกรธก็ให้กลับมามารับรู้ลมหายใจดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือภาวนาพุทโธไ้ด้วยเมื่อใจมารับรู้ถึงลมหายใจ ซึ่งเป็นอารมณ์กลางๆหรือพุโทโธนซึ่งมันให้ความหมายในทางบวกเนี่ยในแง่หนึ่งก็ทำให้จิตเนี่ยมันหลุดจากเรื่องที่ทำให้โกรธหรือชวนโกรธแล้วขณะเดียวกันมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานี่คือการปล่อยวางแบบง่ายๆ ปล่อยวางความโกรธหรือปล่อยวางเรื่องที่ทำให้โกรธด้วยการเอาใจมาอยู่กับสิ่งอื่นแทนที่มันให้ความรู้สึกปกติให้ความรู้สึกเป็นกลางๆหรือความสึงในทางบวกอันนี้จะเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์ก็ได้เปลี่ยนอารมณ์อารมณ์ในที่นี้ไม่ได้เป็นถึงอิโมชันนะแต่หมายถึงว่า สิ่งที่จิตรับรู้มีได้ตั้งแต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและความคิดนึกอย่างเด็กใช้เงื้อเนี่ยก็เปลี่ยนอารมณ์นะเปลี่ยนการรับรู้จากการรับรู้หรือนึกถึงผีสางก็มารับรู้ภาพหรือนิมิตเกี่ยวกับปราประกาศ เวลาคนเราโกรธเนี่ยนะใจมันก็ไปหมกมุ่นอยู่กับความโกรธก็ต้องถอนใจมาให้มาอยู่กับสิ่งที่เป็นกลางๆเช่นลมหายใจหรือสิ่งที่เป็นบวกนะคือความบริกรรมพุทโธอันนี้เราเปลี่ยนอารมณ์คนบางคนเนี่ยนะมีความ มีปัญหาเรื่องซึมเศร้า ม, มีความหาเรื่องความเครียดมากไปหานักจิตบาบัดนักจิตบาบัดบางคนเขาก็มีประสบการณ์ที่ที่ดีนะแทนที่จะให้ยาเขาก็ใชนะ้ความจริงข้อนี้แหละว่าคนเราเนี่ยอารมณ์คนเราเนี่ยมันอยู่ที่อยู่ที่ว่าเรารับรู้อะไรหรือเราคิดอะไรอยู่ ถ้าตัดไปที่เราเองคิดถึงเรื่องที่ชวนให้โศกเศร้าชวนที่ตที่ชวนทําให้เครียดเนี่ยมันก็เกิดความซึมเศร้าหนักขึ้นบางทีขณะที่คนไข้กําลังเล่าและกําลังจมอยู่ในเหตุการณ์ในอดีต ท, ที่ชวนให้โศกเศร้าซึมเศร้าสิ่งที่ช่วยได้คือชวนให้เขาเนี่ยมารับรู้รับรู้ สัมผัสทางกายเช่นตอนนี้ให้มารับรู้หลังที่สัมผัสกับพนักเอาใจมาอยู่ที่หลังที่กำลังสัมผัสกับพนักเอาใจมารับรู้ก้นที่กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้เอาใจมารับรู้เท้าที่กำลังวางอยู่บนพื้นรับรู้เฉย เมื่อมันช่วยได้นะหลายคนพบ ว, ว่าเนี่ยพอถอนใจออกมารับรู้สัมผัสทางกายที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันมันช่วยทำให้อารมณ์ซึมเศร้าลดลงมันช่วยยังไงมันช่วยเพราะว่าหนึ่งมันทำให้ใจเนี่ยวางเหตุการณ์ เรื่องราวในอดีต ท, ที่ชวนให้ทุกข์ชวนให้ซึมเศร้าและมันช่วยทำให้กลับมารู้สึกตัวพอกลับมารู้นึกรู้ตัวเนี่ยว่ากำลังกำลังนั่งอยู่ไอ้ความสึกตัวมันก็ขับไล่ความหลงที่ทำให้ซึมเศร้าหรือทุกข์ใจออกไปนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคือการเปลี่ยน เปลี่ยนอารมณ์หรือเปลี่ยนการรับรู้ของใจซึ่งแม้แต่เด็กๆ เ, เนี่ยอย่างเด็กใช้เงื่อมเขาก็ทำเป็นเพียงแต่เราอาจจะไม่อาจจะไม่เป็นต้องนึกถึงปรากัดก็ได้อายุนึกถึงท้องฟ้าที่สวยงามนึกถึงดอกไม้นึกถึงใบหน้าของเด็กที่กำลังยิ้มแยม้มนี่เรอ่านึกเป็นภาพ จินตนาการหรือมารับรู้ความรู้สึกทางกายนะอันนี้เป็นเรื่องของฐานกายนะที่ถ้าว่าเราทำบ่อยๆมันก็จะเกิดความชำนิชำนานอันนี้มันก็อิงกับความจริงที่ว่าจิตเรารับรู้อะไรมันก็ เกิดอารมณ์ในทางนั้นถ้ารับรู้ในทางลบก็เกิดอารมณ์ในทางลบถ้ารับรู้ในทางบวกก็เกิดอารมณ์ในทางบวกและจิตลมก็สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดนึกต่างๆหรือเปลี่ยนการรับรู้ได้เหมือนกับโทรทัศน์เนี่ยโทรทัศน์นี่เราก็สามารถจะหมุนช่องเปลี่ยนช่องได้มีช่องที่เรียกว่า ข่าวที่น่ากลัวภาพอุบัติเหตุหรือว่าช่องที่มันมีแต่หนังแอคชั่นเต็ไมไปด้วยความรุนแรงหนังผีมีการฆ่ากันเลือดสาดดูแล้วก็รู้สึกเสียดสองหรือช่องเกี่ยวกับสัตว์โลกคู่น่ารักช่องการ์ตูนที่ดูแล้วเพลิดเพลิน ใจเราเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับโทรทัศนะ์นะคือมันเปลี่ยนช่องได้เราสามารถที่จะสลับเปลี่ยนการรับรู้ได้ถ้าเราเปลี่ยนช่องไม่เป็นนะมันก็จะเจอแต่ช่องที่ชวนสยดสยองหรือช่องที่ชวนให้โกรธนะเช่นข่าวการเมืองดูแค่ไม่กี่นาทีก็โกรธแล้ว แล้วพอโกรธแล้วนะมันมันล้าสายตาจากช่องนั้นไม่ได้นะมันจริงจริงติดหนับเข้าไปยันตัวก่อนจะมีสติแล้วก็บอกว่าไม่ไหวแล้วเปลี่ยนช่องดีกว่าอ่ะไปดูช่องที่เป็นธรรมชาติมีเสียงเพลงเบาๆจเจริญเจริญใจดีใจอมเป็นอย่างนั้นนะมันเปลี่ยนช่องได้คือเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนเวลาเรามีความทุกข์เนี่ยเราก็เปลี่ยนการรับรู้ หรือว่าเปลี่ยนอารมณ์อันนี้ถ้าพูดแบบภาษาธรรมะเนี่ยก็คือว่าการรับรู้เนี่ยคือเรารู้จังอารมณ์เราเรียกว่าบินจานส่วนสภาวะทางจิตที่เกิดขึ้นนะดีใจเสียใจสงบเย็นรุ่มร้อนเนี่ยหรือ เรเรียกว่าสิ่งปรุงแต่งจิตเนี่ยภาษาธรรมะเรียกว่าสังขารในปฏิจจสุบาเราก็เรียนมาแล้วนะว่าสังขารเนี่ยเป็นปัจจัยให้กับวิญญาณสังขารเป็นปัจจัยให้กับวิญญาณหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสังขารคือสิ่งปรุงแต่งจิตอาจจะเป็นความชอบความสนใจหรือความโกรธ ยก อ, อย่างง่ายๆในเวลาเราคนที่เขาจะเกิดเขาหิวอาหารเนี่ยเวลาขับรถไปในเมืองเนี่ยเขาก็จะมองเห็นมองหาหรือเห็นแต่ร้านอาหารแต่คนที่นะชอบช้อปปิง้งเวลาเข้าไปในเมืองก็จะเห็นแต่นะศูนย์การค้าหรือว่าเซเว่หรือร้าน นะที่จับจ่ายใช้สอยคนที่ชอบพวกเครื่องประดับหรือเครื่องแต่งกายก็จะมองเห็นแต่ร้านตัดเสื้อหรือร้านขายเสื้อผ้าอ้ยังอื่นไม่เห็นนะมันจะเห็นแต่ร้านที่ตัวเองสนใจคนที่สนใจหนังสือ ก, สก็ไม่เห็นร้านอาหารไม่เห็นร้านขายเสื้อผ้าไม่เห็นร้านอะไรเลยนยะ เราห็นแต่ล้หนังสืออันนี้เรียกง่ายๆว่าสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณแต่วิญญาณก็เป็นปัจจัยเกิดสังขารเหมือนกันหรือวิญญาณเป็นปัจจัยปรุงแต่งสังขารวิญญาณคือการรู้แจ้งอารมณ์อารมณ์ในที่นี้หมายถึงรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสรับรู้รับรู้อารมณ์อะไรมันก็ก่อให้เกิดสภาพปรุงแต่งจิตแบบนั้น อย่างเด็กชายเงือกเนี่ยนะเห็นประ ก, กัดหรือว่านึกภาพปา ก, กัดเนี่ยจิตใจก็เกิดความเพลิดเพลินแต่คนบางคนเนี่ยไปนึกถึงผีแล้วก็นึกถึงเรื่องปรุงแต่งเกี่ยวกับผีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นมิญยาณชนิดหนึ่งนะรับรู้ธรรมารม มันจะเกิด อ, อะไรขึ้นนะเกิดจากสภาพปรุงแต่งจิตหรือสังขารในทางลบความกลัวแล้วก็นำไปสู่ความทุกข์อันนี้คือสิ่งที่เราควรจะรู้จักควรจะทาความเข้าใจเวลาเรามีความทุกข์เนี่ยไม่ว่าเพราะเกิดอารมณ์ใดโกรธเกลียดเครีย ด, ก, ยดกังวลเนี่ยให้ลองกลับมาดูนะเป็นเพราะเรากำลังคิดถึงเรื่องอะไรอยู่ แ, แทนที่จะคิดเรื่องนั้นก็ไปคิดเรื่องอื่นดสิดูสิหรือไม่ฉชนนั้นก็กลับมารับรู้ลมหายใจกลับมารับรู้การเคลื่อนไหวทางกายบางคนก็ใช้วิธีครึงนิ้วบางคนก็ใช้วิธียกมือพลิกมือไปพลิกมือมาอันนี้เรียกว่าพาจิตกลับมาอยู่ที่ฐานกายเป็นการเปลี่ยนอารมณ์จากอารมณ์ที่เป็นลบก็มาสู่อารมณ์ที่เป็นกลางหที่เป็นบวก อันนี้จะเรียกว่าเป็นวิธีการง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้เพรานะนั้นก็ถึงนี้ถึงแนะนำว่าให้คิดบวกบ้างอย่าคิดแต่ลบเพอคิดลบแล้วเนี่ยมันมีแต่จะเครียดมีแต่มีความกังวลคิดบวกบ้างมันก็จะเกิดความความหวังหรือเกิดความสุขขึ้นมาแต่มันมีวิธีที่ดีกว่านั้นหรือแล้วก็ยากกว่านั้นด้วยนะก็คือไม่ต้องเปลี่ยนอารมณ์นะไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องคิด ไม่ต้องพาจิตหลุดออกจากอารมณ์ที่มันทำให้ทุกข์แต่มารับรู้หรือเห็นอารมณ์นั้นอย่างซื่อๆอย่างตรงๆเนะช่นมีความกลัวเนี่ยแทนที่จะเปลี่ยนเรื่องคิดเพื่อมันจะได้หายกลัวนะก็มารับรู้แบบรู้ทันความกลัว ก็คือมีสตินะเห็นความกลัวมันก็จะถอนใจออกจากความกลัวนะมันจะเกิดสภาวะผู้เห็นไม่ไม่ใช่ผู้เป็นขึ้นมาหรือว่าเวลามันกลัวเพราะมันเผลอคิดเรื่องผีหรือว่าคนที่เขาจะมุ่งร้ายทากลั่นแกล้งเราคิดถึงผู้ร้ายที่เราปรุงแต่งขึ้นมาในใจและททำให้กลัว เราก็เพียงแต่รู้ทันนะความคิดนั้นแทนที่จะเปลี่ยนเรื่องคิดนะเราก็แค่รู้ทันนะพอเพียงแค่รู้ทันความคิดนั้นมันก็จางหายไปหรือแค่รู้ทันอารมณ์กลัวโกรธกังวลมันก็จะจางหายไปโดยที่ไม่ต้องใช้วิธีเปลี่ยนเรื่องคิดหรือคิดเรื่องที่เป็นบวก อันนี้ก็คือสิ่งที่เราฝึกได้เหมือนกันนะแล้วก็ควรจะฝึกด้วยมันไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนอารมณ์แต่เป็นการรู้ทันอารมณ์ซึ่งทำได้ยากกว่าแต่ว่ามันก็ถ้าทำเป็นแล้วมันก็ให้ผลที่เร็วเห็นไม่เข้าไปเป็นหรือว่ารู้ซื่อๆเนี่ยมันเป็นวิธีการที่เรียกว่าสุดยอดมากนะ แทนที่เราจะเอาความคิดบวกมาแทนแทนที่ความคิดลบเอาปากัดเอาคิดเรื่องปากัดมาแทนที่เรื่องผีสางเราก็แค่รู้ทันเวลามันคิดลบขึ้นมาแต่ทำนี้เราต้องมีสติเพราะถ้าไม่มีสติแข็งแรงพอมันก็จะหลุดเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในความคิดแล้วก็ปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราว คิดเรื่องผียาวเหยียดอะไรคนนี้แล้วก็กลัวนะตื่นนอนไม่หลับงั้นถ้าเราใช้วิธีการมาเห็นความคิดละอารมณ์แบบซื่อๆตรงๆเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ไม่เพียงแต่ใจเนี่ยหลุดจากอารมณ์ที่ก่อทุกข์ให้กับเราแมยังช่วยทำให้เราได้เห็นความจริงของอารมณ์นั้น เห็นว่ามันเกิดข well ึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นว่ามันไม่เที่ยงต่อไปก็จะสามารถจะเห็นยิ่งไปกว่นั้นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคือมันทําใไม่เกิดปัญญานมันไม่ใช่แค่ว่าใจสงบเพราะว่าไม่ทุกข์เพราะว่าไม่โกรธเพราะไม่เพราะว่าไม่กลัวเพราะไม่เครียดแต่ว่ามันเกิดปัญญาด้วยเพราะว่าธรรมชาติเพราะว่าอารมณ์พวกนี้มันก็ มีธรรมชาติที่แสดงสัจธรรมให้เห็นการที่เข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเข้าใจกายและใจตามความเป็นจริงนี่แล้วในทางพุทธศาสนาก็ถือเป็นปัญญานะปัญญาไม่ใช่แปลว่าคิดเก่งนะอย่างเดียวนะปัญญาที่สมัยคือการเห็นตามความเป็นจริงอย่างที่เราสอนมาสักครู่เนี่ย ธรรมจักปะฏานสูตรเนี่ยปัญญาเครื่องรู้เห็นตามความเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ความสามารถในการแก้ปัญหาซึ่งหมายถึงการคิดเก่งอย่างเดียวนะแต่มันยังหมายถึงการที่ทําให้เราเห็นเสี่องต่างตามความเป็นจริงเห็นอะไรนะเห็นกายเห็นใจนี่นะรวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจด้วยรวมทั้งทุกขเวทนารวมทั้งอารมณ์ที่เป็นอกุศล แล้วถ้าเราสามารถจะเห็นเสี่งต่างตามความเป็นจริงหรือว่าเริ่มต้นจากการที่เห็นเสี่งต่างแบบซื่อๆตรงๆนะไม่เข้าไปผักใสหรือไขว้คว้าซึ่งเป็นการปรุงแต่งอย่างหนึง่งต่อไปมันไม่ใช่แค่เห็นกายว่ากําลังทําอะไรอยู่ไม่ใช่แค่เห็ น, หนลมที่ เข้าออกไม่ใช่เห็นแค่มือที่พึ่งไปมาต่อไปมันจะเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายคือเห็นเวทนาโดยที่ไม่เข้าไปยึดไปเกาะหรือพักสเวทนามันก็คือเห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวดเนี่ยซึ่งยากมากเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธเห็นความเครียดไม่เป็นผู้เครียดนี่ก็ยังง่ายกว่าเห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดแต่ถ้าเราฝึกเอาไว้นะมันก็จะช่วยได้ แต่แน่นอนนะไอการเปลี่ยนการรับรู้เนี่ยมันก็ช่วยได้นะคนที่กำลังบาดกาลังเจ็บปวดนะเพราะน้ำร้อนลวกเนี่ยบางคนเนี่ยพอคิดถึงหิมะคิดถึงน้ำเย็นเนี่ยเอยมันก็ช่วยลดความปวดได้นะปวดสาบ ป, ปวดร้อนแต่ถ้าว่าเราทำได้ดีก่านัน้คือเห็นมันเห็นความปวดมันก็จะหลุดจากความปวดได้กายยังปวดอยู่นะแต่ใจไม่ปวดแล้ว ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ช่วยช่วยจิตช่วยใจช่วยกายได้มากทีเดียว